เด็กเดี๋ยวนี้ไม่มีความอดทนหรอกเรียนกรรมฐานนะจะมาเรียนแบบคนรุ่นก่อนนะไม่มีทางสำเร็จนละยอย่างสมัยหลวงพ่อไปเรียนอย่างครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนเยอะสอนให้คำสองคำแล้วเราต้องไปภาวนาเป็นปีๆเลยถึงจะเข้าใจที่ท่านบอกเด็กเดียวนี้ทำไม่ได้ใจไม่ถึงหลวงพ่อพูดเด็กนี่รวมทั้งเด็กทางวุฒิภาวะด้วยนะ <c oughs> อายุก็เยอะแต่ว่า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 หรือโกรธขึ้นมานีอยากให้หายโกรธไม่เห็นว่าอยากให้หายโกรธนะโกรธเนอโกรธเน อ, นอาหายโกรธแล้วดีใจนะีอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสิ ise, arrived, kind, ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามนะเกิดขึ้นแล้วดับไปมีอยู่แล้วก็ไม่มีนะดูไปอย่างนี้วันหนึ่งจิตมันยอมรับนะสิ่งได้เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปจิตก็จะหยุดการดิ้นรน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 ไปทานข้าวนะทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์